ทำความเพียรเข้มกันตั้งแต่เช้านะตั้งแต่ตีสีมาถึงอันนี้ก็ทํากันทั้งวันวปิดวายจาไม่ได้คุยกันถ้าเป็นวิธีการที่จะทำให้เราได้มีจิตเป็นเอาเรียกว่ามีจิตเป็นหนึ่งเดียวอยู่กับปัจจุบันนะเป็นวิธีการของกาเทียร ถ้าชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดมาถ้าหากว่าจิตของเรามันไม่เคยสงบอย่างแท้จริงเลยเนี่ยเราก็ชีวิตนี้ก็จะไม่มีบุญกุศลที่จะไปเกิดในทางที่ดีอีกจิตของเราที่มันสงบอย่างแท้จริงเนี่ยมันจะเกิดมีพลังพลังในทางดีพลังกุศลนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย ถ้าไดา้เกิดมาแล้วนี่ถือว่ามีอาการครบสาสองว่าโชคดีคือไม่บอดไม่หนวกไม่ห่อยเปียเสียขาไม่วิคลโดนจริตเพราะฉะนั้นเราได้บุญมาดีได้ส่วนหนึ่งแต่นีเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนบุญตัวนี้มันจะหมดถ้าบุญหมดแล้วหมายความชีวิตเราก็จะมีปัญหามากมายมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนมีปัญหามีความทุก อะไรเกิดขึ้นเรื่อยๆ เ, เนี่ยขาอว่ า, าบุญมันเขาว่าหมดบุญตามภาษาชาวบ้านคือมันหมายเขาพูดตายแต่เขาว่าหมดบุญตามภาษากรรมฐานหมายถึงว่าหมดความสุขวันไหนชีวิตหมดความสุขนั่นก็หมดบุญดังนั้นไม่ใช่ว่าเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราจะาสุขเหมือนกันทุกคนก็ไม่ใช่บางคนก็ทุกข์ทุกข์เพราะบุญที่ทํามาไม่พอ คำว่าบุญในที่นี้ทาได้สามทางหนึ่งก็คือการให้ของการให้ก็ให้ได้สามอย่างหนึ่งให้วัตถุสองให้อภัยสามให้ข้อคิดให้สติปัญญาเป็นบุญในการให้สามอย่างนี้เราไม่มีของเราก็ให้อภัยการอภัยนี่ได้ให้มากกว่าของของเนียนานมาให้ทีได้ให้ทันที แต่ให้อภัยนี่มีทุกวันเพราะแต่ละคนในเราไม่สามารถจะทาถูกใจใครได้ทุกคนเราคนอื่นก็ถูกใจเราไม่ได้ทุกคนมันก็จะมีการขัดข้องมองใจมีการขุนเคืองมีการไม่ชอบชะตากันเนี่ยเป็นธรรมดาเพราะนั้นท่านบอกในโอกาสนี้เป็นการให้เราได้ให้คือให้อภัยนี่เป็นบุญมากกว่าให้ทาน แต่ให้อันที่สมคือให้ข้อคิดให้สติปัญญาให้กําลังใจแก่กันและกันคนที่ท้อที่เบื่อหนายคนที่ไม่มีกําลังใจเราให้กําลังใจอยู่ในบ้านเพราะเป็นธรรมดาคนเราขึ้ น, นล ง, ลงเดี๋ยวดีววเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวท้อถอยเดี๋ยวเบือ่อนายเดี๋ยวมีกําลังการที่เราให้กําลังใจแก่กันและกันให้ข้อคิดให้สติปัญญาให้คํา บรึกษาแกกันอะกันครับเป็นการให้เป็นการทำทานเรียกว่ารมทานอันนี้ก็ได้บุญชั้นหนึ่งนะอันที่สองบุญเกิดจากการที่เราได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะการอยู่การกินก็เป็นระเบียบการหลับการนอนก็เป็นระเบียบการไปกันมาก็ระเบียบการนุ่งการถือก็เป็นระเบียบอ่า การพูดการคุยก็มีระเบียบนี่เขาเรียกมีศีล น, นะไม่ใช่ศีลหสศีล8ปศีลสองเจ็เท่านั้นนะการจัดระเบียบกายวาจาของตัวเองได้นะถือว่าเป็นศีลหมดนะแล้วก็บุญอันที่สามก็คือการได้มีโอกาสได้สงบจิตสงบใจเราจะทำที่บ้านก็ได้ทาที่วัด ก็ได้มาบัดเนึ่ยมาเขามาฝึกเอามาฝึกเอาวิธีการที่นี่การทําจิตให้สงบมีลหลายทางแต่ทำกรรมาฐานแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเป็นวิธีการทําจิตให้สงบนี่ก็เป็นบุญอันหนึ่งแต่ว่ายังไม่สูงพอบุญอีกอันหนึ่งก็คือทําใจให้สว่างและทําใจให้สะอาด นี่เป็นบุญอันสูงสุดเพราะใจเราสะอาดสว่างสงบแล้วนี่ไปที่ไหนก็ได้บุญได้บุญตลอดเวลาเพราะนั้นบุญวิปัสนาจึงบุญสูงสุดเพราะมันสามารถทําได้ตลอดเวลาเราจะอยู่บ้านทําการทํางานทําได้เพียงแต่ว่าเราเอาจิตมาอยู่กับตัวเองเอาจิตมาอยู่กับบ้านไม่ให้จิตมันคิดฟุ้งซ่านออกไปในเรื่องราวที่ไม่จําเป็นนั่นนั้นคือได้ทําบุญสูงสุดแล้วเพราะจิตอย่างนั้นจะจิตจะมีกําลังจิตจะสงบ ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนี่เข้ามาหาไม่ได้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี่เข้ามาหาไม่ได้เพราะจิตของเราอยู่กับตัว เ, เองการที่คนทุกและปัญหาเกิดขึ้นเราเพราะเราส่งจิตออกไปข้างนอกเราเดือดส่งจิตออกไปหาเรื่องมาคิดหาเรื่องม า, าปรุงมาแต่งเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นกันทุกคนดังนั้นการมาทํา กรรมฐานหรือทำภาวนาทำวิปัสนาคือการดึงจิตเข้ากับไกลมไปอยู่ด้วยกันอันนี้ถ้าเราไม่ฝึกแล้วมันเป็นไม่ได้นะเราต้องฝึกในการมาวัดคือมาฝึกเรื่องนี้เท่านะั้นนะไม่ใช่ว่ามาให้ทานรักษาศีลอย่างเดียวนะคนที่มาวัดที่ฉลาดก็คือมาทำภาวนาคือมาทามาฝึกจิตให้สงบแต่บางคนมาวัดร้อยวันพันปีแต่ไม่เคยนั่งภาวนาเลยก็ได้บุญไม่มาก แต่คนนึงมาปีละครั้งแต่ได้บุญมากเพ่อมาก็นั่งภาวนาสามวันห้าวันเจ็ดวันอย่างพวกเรากลุ่มชิคาโกเนี่ยมาสามชุดนะนะชุดแรกชุดสุดท้ายเนี่ยพ่ออยู่นี่สามอาทิตย์พวกเราก็ได้มาทําชุดละอาทิตย์อาทิตย์นี่อยู่ขนาดอยู่ไกลชิคาโกเนี่ยแต่คนบ้านนี้บุญน้อยไปหน่อยเนาะไม่ค่อยได้มาเนาะเพราะนั้นก็พอเลยให้แก้ตัวอีกครั้งนู้นเดือนเมย์ถ้าจะมา ชุดนั้นได้เจ็ดวันเดินเมย์วันที่20สิบถึงยี 27, ก่อนที่จะข้ามไปยุโรปงูพอยจะมาสองรอบรอบแรกก็นี่ยช่วงหนาวเป็นช่วงคอดเล็กๆคอดสามคนห้าคนเจ็ดคนแต่เดินเมย์เป็นคอดใหญ่20 30 40สาหิคนดังนั้นถ้าหากว่าใครไม่ได้มาคอดนี้ก็คือเดินเมย์คอดซัมเมอร์นะมาช่วงนั้นเพื่อที่จะมาเอาบุญสูงสุดคือบุญที่ทําจิตให้สงบ นะเมื่อเรามามาศึกษาเอาวิธีการแล้วเนี่ยไปทําที่ไหนก็ได้เหมือนเราเรียนหนังสือสมัยที่เรายังเขียนหนังสือไม่เป็นอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เราก็ไปเรียนในโรงเรียนก่อนพอเรียนในโรงเรียนเป็นแล้วจะไปเขียนที่ไหนไปอ่านที่ไหนได้หมดเมื่อกันกทําจิตให้สงบนี่พอมาฝึกที่วัดฝึกกับครูบาอาจารย์ก่อนเมื่อฝึกครูบาอาจารย์เป็นแล้วที่นี่เราจะไปทําจิตสงบที่ไหนก็เป็นบุญในตลอดนะจิตมันสงบแล้วมันเกิดปัญญาพอมันเกิดปัญญามันแก้ปัญหาได้หมด ปัญหาจึงไม่มีไงคนที่จิตมาทําภาวนาปัญหาไม่มีเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่รับปัญหาอันไหนที่เป็นปวิหคจิตไม่รับแต่มันแก้เพราะอะไรเพราะจิตสงบแล้วมันเกิดปัญญาพอเกิดปัญญานี่ปัญหาเรื่องเล็กปัญหาทุกอย่างแก้ได้หมดแต่ถ้าไม่มีปัญญาบางทีปัญหาง่ายๆก็แก้ไม่ตกเพราะฉะนั้นเองอนนี้เป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราถือว่า เป็นเรื่องสำคัญคือการภาวนานะหลวงพ่อนี่ทามาตั้งแต่สมัยเป็นเนนอายุสนะิบหกสิบเจ็ดนั่งรถนั่งเรือไปเหนือล่องใต้นั่งภาวนาหลับตาภาวนาอย่างเดียวนะสมมติ่เรานั่งรถไฟทั้งหลายชั่วโมงไนะขึ้นรถไฟปั๊บคนก็ อ, อย่าวุ่นวายกันดังอืองเราก็นั่งภาวนาอยู่มุมที่นั่งของเราไปตลอดสายมันก็ได้สั่งสมมาเรื่อย พอต่อมาก็ได้ภาวนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นภาวนาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็ทําให้เราหมดปัญหาที่นี่พอชีวิตหมดปัญหาไปเห็นเพื่อนมีปัญหามีแต่ปัญหาเรื่องการเงินการทองเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องมวยเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องพี่เรื่องน้องเรื่องการเรื่องงานอะไรมากมายแล้วเขาสงสารเขาไม่ได้เลยไปบอกวิธีแก่วิธีแก่คือต้องมาภาวนาก่อน เราจะไปแก้ให้ไม่ได้แต่เราบอกวิธีให้นั่นคือไปทำจิตให้มันสงบเมื่อจิตสงบแล้วมันเกิดปัญญาเองเคยมีปัญหาเรื่องเงินก็ไม่มีปัญหาเรื่องเงินเคยมีปัญหาเรื่องสามีปัญญาก็ไม่มีละเคยมีปัญหากับพ่อกับแม่แม้กระทั่งมีปัญหากับตัวเองยมอุ้มเคยมีปัญหากับตัวเองไหมมีแบบไหนมีมันวีมันเบยเยมีปัญหากับตัวเองเลยเนาะอ ยมเล็กเคยมีปัญหากับตัวเองไหม ม, นะมีแบบไหนเงีมเ้มีปัญหาด้านโรคซึมเศร้าแล้วก็เรียว่าทังสายีอ่าฮะทุกข์กับตัวเองใช่ไหมแล้วแก้ไขยังไงใช้วิภากษณาหรือเปล่าก่อนแรกที่ไม่เจอหลวงพ่อทานยาแต่หลังจากเจอหลวงพ่อแล้วคือออกจากยาแล้วแล้วก็ใช้วิธีนี้ค่ะบาบัดตัวเองยจนมันก็เป็นปกตินี่แก้ได้เลยน ะ, ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วใช่ ม, มันปัญหาทุกอย่างแก้ได้ไงเนี่ยแต่ขอให้ได้ทำนะปัญหาไม่มีปัญหาเพราะเราแปลงปัญหาหเป็นปัญญาหมดแต่ถ้าหาว่าเรามีภาวนานแปลงปัญหาหเป็นปัญญาไม่ได้เพราะาอะไรเพราะมันไม่จิตมันไม่สงบเราจะไปทำมันเป็นยังไงก็ไม่ได้เหมือนเราเอาไฟเทียนไขไปตั้งกลางที่โล่งๆนะไฟเทียนไขเนี่ยมันจะสงบมันจะตั้งดิ่งนิ่งแน่วมาได้ เพราะอะไรเพราะมีลงลบทันตเวลาที่นี่จะทำไงให้มันนิ่งดิ่งอยู่กลางท่ามกลางอากาศโดยที่ไม่ต้องว่าแบบว่าแบบเลยทาําไงออ่ามีฝาครอบมีอะไรครอบนะมันก็ไปที่ไหนก็ได้เนี่ยไม่ดับจะแกว่งไงมันก็ไม่ดับละเพราะอะไรเพราะมันมีแนว ป, ป้องกันจิตของเราเหมือนกันถ้าไม่มีอะไรป้องกันเนี่นะ อารมณ์มันมาตลอเวลาอารมณ์มาทางไหนบ้งมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นเราคิดเลยแหละตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นดูกายสัมผัสอารมณ์นึกคิดเหมือนมนลมอะ่ะพัดเขา้ามาจิตของเราก็วอกแวกไปแล้วแตนแล้วแต่เหมือนลมไอเทีนยนใคอยู่กลางสนามแล้วซ้ายทีขวาทีเดี๋ยวก็ดับจิตของเราเหมือนกันเมื่อมีอารมณ์เขาว่าดีว่าร้ายมาทาง ตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทงางใจจิตของเราวอกแว ก, วกติดไปถนนไปติดไปคิดไปยินดียินร้ายไปพอใจไม่พอใจกับสิ่งที่เขาว่ามันก็เว็บซต์ทีขวาทีก็เป็นไงในที่สุดมันก็ดับอ่าเทียนไขดับมืดแล้วมันเหมือนกันจิตของเราเพอไม่ตั้งมันมนม่นพอมีอารมณ์มาพัดดับจิตดับก็หมายความว่าสติขาดนั น, นะพอขาดสติแล้วมันเป็นไงทีนี้อ่าทุกข์ละทีเนี้ยการ ว่ากันดาการเถียงการคิดมาคิดไม่ได้พูดไม่ได้ก็คิดน้อยคิดใหญ่คิดรักคิดชังขึ้นมาแล้วทีนี้นั่นแหละก็เรียกว่ามันดับนะสติมันดับนะเพราสติมันดับปัญญามันก็ไม่มีละดันั้นการมาภาวนาก็คือทํามาทําป้องกันไม่ให้จิตมันอมันถูกพัดพอจิตของเรามันตั้งนิ่งเนี่ยมันจะสว่างมันเถิดใครมันจะสว่างรอบตัวนนะ นั้นภาวนาจึงเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับชาวพุทธนะถ้าชาวพุทธไม่ภาวนาถือว่าเป็นชาวพุทธไม่ไม่เต็มร้อยในเรื่องให้ทานรักษาศศา ส, สนาอื่นเขาทาได้ดีกว่าเราพวกคริสต์เนี่ยเขาให้ทานทีเยอะๆนะสร้างบ้านสร้างเมืองอ่าบริจาคไปช่วยบ้านนั้นเมืองนี้พวกคริสต์เขาทำได้ดีกว่าเราได้ให้ทานแต่เขาไม่เรียกว่าทานเขาเรียกว่าอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูล การบริจาค ก, การช่วยเหลือโลกนั้นโลกนี้ที่เขาไปช่วยทั่วโลกเเขาได้ทำไดดีกว่าแต่ถ้าหกว่าเราไม่มีภาวนาเนี่เราพุทธศาสนาไม่มีอะไรดีกว่าเขาเลยนะแต่เรามีภาวนาคือทำให้เกิดปัญญาได้พอเราเกิดปัญญาได้ดีเนี่ยเราก็ดับปัญหาได้ทุกเรื่องนอกจากแก้ปัญหาตัวเองได้แล้วไปแก้ให้เพื่อนอีกอใครเป็นมีปัญหาอะไรไปช่วย แต่ไปช่วยนี่มันใช่นไปช่วยแก้นะช่วยบอกวิธีให้แต่บอกวิธีให้แล้วจะไม่เอาไปทาก็หมดนะไม่ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ไม่เอาไปทำดังนันเองออกมาก็เลยมีหน้าที่อย่างเดียวตั้งแต่บทมิน้แม่ปฏิบัติมันนี้มีหน้าที่อย่างเดียวคือหน้าที่ไปบอกให้คนหมดทุกไปคนแก่ทุกก็เลยได้บุญทีนี่ไปเนะี่ยก็ได้บุญเดือเฟือ พอเรารู้วิธีการเราไปบอกให้คนอื่นเนี่ยเหมือนเรามีเทียนไขแล้วคนอื่นเขามืดอยู่ในทธรรมะเราก็เอาเอาเทียนไขนี้ไปมาต่อจากไฟอย่ากฉนี้ไม่ได้ไหมให้เขาเอาเล่มนี้ไปให้เขานะให้เขาเอาเทียนให้เขามาต่อจากของเราต่ อ, อไปจากเทียนเล่มหนึ่งก็เป็นนะเล่มสิบเล่มยีิบเล่มก็สว่างทั่วไปนะเพราะนั้นเราก็ต้องมาจุดเทียนของเราก่อนทุกคนมีเทียนอยู่แล้วคือมีจิตมีตัวรู้สึกตัวอยู่แล้ว ดูรู้สึกตัวนี้เรียกว่าเทียนนะมันน่าเลยเรือกหลวงพ่อเทียนคือหลวงพ่อรู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวนี่คือแสงเทียนทุกคนมีอยู่แล้วแต่ทําไมมันไม่สว่างเพราะว่าเราไม่ได้จุดมันอ่ะมีเทียนไขแล้วเราไม่ได้จุดมีไม่ขีดแล้วเราไม่รู้เอาไปหายที่ไหนไปวางที่ไหนม็เลยหาไม่เจอเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เทียนไขอยู่ที่ไหนไม่ขีดอยู่ที่ไหนหาไม่เจอเพราะเราลืม เขาเรียกว่าลืมตัวเองนะลืมกายลืมใจตัวเองนั่นเขาเรียกว่าทั้งไม่ขีดทั้งเทียนไขาหายหมดล้วเทียนไขคือกายนี้ไม่ขีดคือใจนะนะั้นมาจุดกันเข้าพอจุดเข้าก็สว่างแต่ถ้าเราลืมเนื้อลืมตัวในวันจิตออกไปไหนไม่รู้ท่องเที่ยวไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ตัวเองทําอะไรอยู่ตรงนี้ไม่รู้จิตก็ร่องรอยไปเลยจิตมันถูกอะไรออกไปก็ไม่รู้อ่า ลูกดึงไปสามีดึงไปภรรยาดึงไปพ่อแม่ดึงไปเราอยู่ที่นี่คิดถึงลูกที่บ้านเราอยู่ที่นี่คิดถึงพ่อแม่ที่บ้านเราอยู่ที่นี่คิดถึงแฟนไปธุระที่ไหนคิดออกไปเรื่อยๆมันก็ไม่จบเป็นนะนี่เขาเรียกว่าเทียนไขก็หายเพราะลืมไม่คีดก็หาย นะแต่พอมาภาวนานี่เริ่มหาไม่ขีดกับเทียนไขเท่านั้นแหละหาเจอแล้วอพอหาเจอแล้วที่ไหนก็จะไปที่ไหนก็สบายเลยหรือบางทีถ้าสมัยนี้เขาไม่ได้ใช้เทียนไม่ขีดเทียนไขไม่ขีดแล้วก็ใช้อะไรใ ช, นะใช้ไฟฉายแล้วทุกคนมีไฟฉายแต่ขาดอะไรขาดแบตเตอรี่ <laughs> ไฟฉายทุกคนมีความ มีร่างกายนี้แต่ขาดความรู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่คือแบตเตอรี่เนี่ยร่างกายนี้คือกระบอกไฟฉายเรายังไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ท่านะไม่มีความหมายเลยร่างกายที่ไม่มีใจนี่นะก็มีอยู่แต่ทานมันอ่อนเานั้นทานมันใกล้จะหมดแล้วมาวัดที่เขาได้มาชาร์นขอยเสียบชาร์จก็คือมานั่งยกมือมาชาร์จไฟนี่นะันงยกมือชาร์บางคนก็ชาร์เข้าบางคนก็ชาร์ไม่เข้า ที่ชาร์ไม่เข้าไหมเพราะว่ามือยกที่นี่ใจไปคิดที่ไหนก็นไม่รู้ <laughs> เรือชาร์ไม่เข้าตั้งยกวันทั้งวันเสียมันทั้งวันไฟไม่เข้าพราะอะไรเพราะเพราะว่าใจไปทางอื่นนะ่ะใจไมไ่อยู่กับเนื้อ ก, กับตัวนะเพราะฉะนั้นใจอยู่กับเนื้อ ก, กับตัวนี่มาเข้ามันชาร์เข้าแล้วเนะพราะฉะนั้นมาที่วัดนี่มาชาร์ที่วัดเขายัางช่วเนะี่ยเพราะว่าไฟเยอะนะ่ะ อยู่ที่บ้านนี่ไหมก็่าชาร์ไม่คยเข้าไปไม่คม่อยมีคนอื่นก็ไปใช้หมดทาน น, น, นั่นเอนด้วก็เลยบ้านก็หมดึดทางบ้านลูกก็มีปัญหาสามีก็มีปัญหาภรรยาก็มีปัญหาพ่อแม่ก็มีบาเพราะแต่คนต่างฐานอ่อนทั้งนั้นนะไม่มีใครทานแข่งกักนสักคนเลยชาร์จกันไม่ได้นะดังนั้นต้องพยายามชาร์จตัวเองบ่อยๆคือนั่งภาวนานะ ชาร์จได้ทั้งวันที่พอถ้าว่าเราแบตเตอรี่เราเต็มแล้วที่ไหนเขาก็มาขอจ้ำเลยดีเนี่ยรถฉันไม่ติดเฉันไม่ติดมาขอต่อแบตกันหน่อยหนึ่งถอยรถไฟไปต่อแบตเขาพราชาร์จติดไฟแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนะชาร์จไม่ติดแต่เดี๋ยวนี้เขามีอะไรมี power bank นะฮะหลวงพ่อไปเห็นได้ รถไม่ติดใคนไหนมี power bank ไม่ต้องตกใจไปหารถคนอื่นเอา power b a นงแบงต่อเข้ากับแบตเตอรี่นี่ชาร์ตติดเลยนะเยทำไปเล่นไป power bank นะเนี่ยเขาออกย t u b e ให้ดูบอกโอ้คุณไปรถไม่ติดแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่อ่อนไปยากเลยคุณมี power bank เอาสายเสียบหัวแบตเตอรี่นะคุณสตาร์ทรถติดเลยนะอย่าลืมนะคุณด้วยถ้าหาว่ารถรถเสียรถตายเพราะแบตเตอรี่อคหันนี่นะมี p o bank ของเราี่ใช้กับแบตเตอรี่ติดเลย S <S <S <S มันต้องป่ะแบงค์ไตงะอ่ะาก็ก็ก <S 2: S 1> ็ใช่นี่พันโบนี่ไม่พอนะไม่พอนะตนะ้อมขึ้นแต่ไม่รู้พอเห็นเขาถือเล็กๆกันนะ เ, เ, เจ้าของรถมันก็ไม่รู้ชาดได้แต่ตำรวจมันรู้ตำรวจทางหลวงเนะี่ยอ๋อเอามนนี่คุณมีพามีครับอ๋อามนนี้มันนี้เอามาเสียวเข้าพอหมุนกุญแจนี่ติดตึงเลยแหละนะ เหมือนกันเราก็จะต้องชาร์จ power b a ์ k ของเราเพื่อเพื่อนเราขาดกําลังใจแล้วก็ไปนั่งให้กําลังใจให้อะไรพูดให้กําลังใจนะเดี๋ยวเฟื่อนก็มีกําลังขึ้นมาแล้วนะเขาเรียกว่าใชาา้ p o w ์ r bank ของเราเนี่ยในการใช้อันนี้นะเอาละทีนี้ก็ให้ขอคิดเท่านี้เพราะพวกเราจะต้องรายงานกันว่ามาปฏิบัติ ท, ที่นี่เจวันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรบ้างใช่ไหตัวนี้สายยาวไหมบางคนอำไมตอนนั้นก็ได้ เอาตัวนี้ดีกว่าพร้อมแล้วเนี่ยสายยา ว, วนี่เพื่อที่จะได้คุยกันว่าโยมมาที่นี่เจ็ดวันน่ะเป็นเรื่องได้เรื่องในลาวอะไรบ้างเอาตัวนี้ตัวนี้มันมีอันนี้หละเป็ น, ม, นม้แล้วอากที่ีกว่เพราะว่าคนไม่ได้คนไม่ได้มาไปอย่างน <c oughs> ีะโควิดนะก็ วันนี้เอายงเบนทีหลังเพื่อนเมื่อผู้อะไรีเบนแล้วก่อนเพื่อนขึ้นยมพุ่งมาเด็กพุ่งมากเ็รายงานอารมอารมณ์หมาถึงตั้งแต่วันแรกจนจนโดยเฉพาะวันนี้เฉพาะที่จุดสคัญอ่ะวันนี้ก กการรายงานอรณอรณัก็ได้ขยับนเียวกอักด้เ็ั้งภาวนาีต่างกบื่นนกบนำมัสการหนุ่มพ่อและพระอาจารย์มงคลค่ะก็ขับภาวนาครั้งนี้ต่างค่ะทุกครั้งที่มาภาวนาก็จะมีสติแต่ละครั้งนี้ก็จะชัด แต่ของแต่ละครั้งนะฮะแล้วก็พอครั้งถัดมามันก็จะดีขึ้นดีขึ้นครั้งนี้ก็เท่าที่ผ่านมามันก็ชัดที่สุดนะคะเรื่องของของสติแล้วก็อารมณ์รูปนามก็ทำให้ได้เข้าใจเพราะว่าโยมมีปัญหาอยู่แล้วเรื่องการติดสมถะใช่ไหแล้วก็พยายามแก้แต่ครั้งนี้ก็ได้หลวงพ่อแล้วก็พี่เล็กช่วยแนะนาก็ทาให้ได้เข้าใจเรื่องการความมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมได้ ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็โดยทั่วไปคือช่วงที่ภาวนาเนี่ยช่วงแรกๆอยู่ในภาวนาดี3าสวันแรกค่ะแล้วก็ภาวนาไปวันหลังๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเบื่อและวขี้เกียจทำค่ะหลซึ่งวันนี้ก็มีปัญหาคือก็พยายามทำแล้วก็จริงๆเข้าใจค่ะเริ่มเข้าใจว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยเหมือนที่พระอาจารย์มงคลทันเทศเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นความง่วงความเบือ่อ ความคิดอะไรทั้งหลายเนี่ย จะพยายามมองว่ามันเป็นสิ่งที่คือมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปแต่บางครั้งก็เกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นไม่หายไปเพราะสติโยมไม่พอก็เข้าใจก็จะใช้พยายามใช้การเปลี่ยนท่าบ่อยขึ้นซึ่งสมัยก่อนโยมก็พยายามทําแต่ก็ไม่ไม่มากเท่านี้ตอนนี้เริ่มเข้าใจก็จะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอะไบ่อยขึ้นก็ทําให้สามารถที่จะแก่อารมณ์ได้บางช่วงบางช่วงก็อย่างตอนเย็นเนี่ยโยมจะติดอารมณ์เหมือนกันเรื่องความความเบื่อพอสมควรที่อยู่ในห้องจนกระทั่งหลวงพ่อให้ ออกไปภาวนาะข้างนอกก็จะเห็นว่ามันเริ่มคลายคลายไปอาจจะเพราะบรรยากาศข้างนอกช่วยมันสดชื่นน่ะนะคะแล้วก็ทําไปแล้วโอเคมันก็กลับมาสู่อารมณ์ปกติได้นอกจากนั้นโดยรวมก็คือโยมพอเข้าใจเนี่ยโยมก็จะนําไปปฏิบัติต่อที่บ้านเพราะว่ า, าความการปฏิบัติการเจริญสติเนี่ยเหมือนกับที่หลวงพ่อเทศว่าเรามาเข้าใจวิธีการ เราได้อารมณ์เนี่ยเราจะเข้าใจว่าสภาวะธรรมเป็นยังไงแล้วเราสามารถที่จะนําตัวเนี้ยกลับไปใช้ที่บ้านกลับไปใช้ต้องทําต่ออย่างต่อเนื่องเป็นเป็นข้อสําคัญมากแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้แล้วก็ที่ผ่านมา้งแต่โยมภาวนากับหลวงพ่อค่ะก็ได้เรามาใช้น้อยบ้างมากๆน้อยน้อยบ้างแล้วก็มากบ้างเนี่ยตามแต่จังหวะนะคะก็ได้เห็นผลถึง การเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่เริ่มสมัยก่อนที่เราเคยพัฒนาแบบสมบัตมาแล้วก็มันมีอารมณ์ที่เราเหมือนกับเราเหมือนเป็นคนดีแต่จริงๆใจไม่ดีเพราะว่าคือเราพยายามทําดีทําบุญทําทานะไรปกติแต่ว่าใจเวลาที่เราเจอผลกระทบอะไรเนี่ยมันก็สึกโกรธหงุดหงิดอยู่ข้างในอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็หาทางแก้ไม่ได้จนกระทั่งจะมาเจอวิธีหลวงหลวงพ่อเทียนเนี่ยยุ่ก็ค่อยๆทํา ค่อยๆปฏิบัติมาซึ่งของโยมเองใช้เวลานานมากนะฮะสติปัญญามไม่ค่อยมีค่ะก็แต่โยมจะใช้ความเพียรก็พยพายามภาวนาเลื่อยมาพยายามทำเท่าที่ทำได้ก็จะเห็นผลว่าอารมณ์ต่างๆเราสามารถที่จะรู้สึกว่ามันเบาบางลงไปและแล้วก็มีความผ่องใสมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มเริ่มงานจากพวกเ อ, อ่ยที่ทำงานเวลาเขามีปัญหกระทบในจิตใจของเราทำใจได้ก็ อันนี้เป็นจังหวะค่ะบางเทเนี่ยเรื่องนิดหน่อยโยมก็สามารถที่จะพลิกได้แต่บางเรื่องก็ติดค้างอยู่ในใจอยู่หลายวั น, ห, วนหรือว่าเป็นอาทิตย์ก็มีอย่างเงี้ยบางเรื่องแก้ไม่ตกมันหลายเรื่องตั้งแต่เจ้านายกับเพื่อนหลายอย่างเพราะที่มันมีการเปลี่ยนลูกบริหารที่ทํางานนะคะแต่ตอนหลังเราก็พอสามารถที่จะเหมือนกับมันพลิก จิตมันคิดได้แล้วก็ภาวนาแล้วจิตมันคิดได้มองเห็นความคิดตัวเองชัดนะแล้วก็มันพอมันมองมันเห็นชัดปุ๊บมันเปลี่ยนเปลี่ยนสถานการณ์ตัวเองนะสามารถที่จะคือเข้าไปแล้วก็เจอกับเพื่อนอะไรเนี่ยเป็นปกติแล้วมันกลับมันกลับเป็นไปว่าฝ่ายเจ้านายหรือเพื่อนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะยมเห็นว่าเขา เหมือนกับเขาเขาก็เปลี่ยนดีขึ้นไงแต่ไม่ไม่รู้ไม่ทราบพาะอะไรนะแต่ว่าโยมรู้ว่าตัวโยมอะเปลี่ยนหมายถึงว่าเปลี่ยนความคิดในการมองเพื่อนกับเจ้านายอะค่ะอยู่ที่บ้า น, แ, น, น, าานแต่ก่อนทําค่อนข้างประจํานะหลังๆก็ะจะมีเรื่องที่โยมมีปัญหาตอนที่ติดสมถะค่ะโยมก็เลยเปลี่ยนเป็นใช้การออกกําลังแทนออกกําลังแบบไทชีอะนะคะ ช่วงเพราะมันโยมมีเวลาน้อยค่ะหลวงพ่อช่วงจันทร์ถึงศุกร์ที่ไปทํางานแบบต้องจัดตารางให้มันพอดีก็กล่าวว่าก็คือใช้ออกกําลังแล้วก็จเจริญสติไปในการออกกําลังเพราะว่าออกกําลังเป็นท่าช้าแล้วมันก็ได้ทั้งออกกําลังแล้วก็จเจริญสติแต่วันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยโยมก็จะพยายามทำํำในรูปแบบที่ของหลวงพ่อเทียนเท่าที่มีเวลาค่ะของหลวงพ่อที่เนี่ยกำลังดีเหงื่อออกอะ หมายถึงว่ากำลังเท่าที่ยมสังเกตที่ออกกำลังที่นี่ได้กำลังมากกว่าแลวใช้พลังเยอะกว่าด้วยาชุดเนาะแต่ไอ้ดมปราณนี่ไปต่อแต่ว่าในชุดของอามานี่ก็ถ้าหากว่าทยาวหน่อยนะชุดเดียวนี้พอนะแต่แต่ว่าชุดไอ้ไฟที่เบสท์ไลน์นี่ก็ขัาหนักหน่อยอย่างน้อยก็ได้สักสงชุด แต่ว er ันไหนเวลาเยอะก็ได้สาชุดได้ดุปราดด้วยค่ะทีดีคนผมกเอาวิธีทางทําบปไไหน่ได้ด้วยนะค่ะก็ไปแจกกันะเขาคมอุ้ยจอเดี๋ยวเปลี่ยนไมนะคเอาไมยเไ้ก่มสายัน